m mm -hmm. เช้าก่อนฉันได้พูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลาคาญนะเสียงกรนของสามีและภายหลังเนี่ยเมื่อสามีป่วยหนักใกล้จะตายเนี่ยเธอกลับรู้สึกว่าเสียงกรนของสามีเนี่ยมันมีความหมายมากเลย เพราะว่ามันเป็นสัญญาณว่าเขายังมีชีวิตยอยู่แล้วก็เธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะได้ยินเสียงกลนแต่ว่าในที่สุดผู้ชายเขนน้นก็ต้องตายแล้วเธอก็นึกถึงเสียงกลนนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มันกลับมาอีก แต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะกลับมาได้แล้วนะเพราะว่าสามีก็ตายไปแล้วหรือว่าเรื่องของผู้ชายที่สนิท ก, กับพ่อมากพ่อพาไปเที่ยวตอนเป็นเด็กกลับมาบ้านก็กินท้าวกับพ่อแทบทุกมือ้อ จนกระทั่งเมื่อเอเมื่อเขาไดา้ทำงานแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้นเขาจะรู้สึกลาคาญเมื่อพ่อโทรศัพท์มาถามเขาว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านรอกินข้าวเย็นกับลูกเสียงโทรศัพท์ของพ่อ ตอนหลังเนี่ยดังขึ้นมานี้เขาก็ไม่อยากเปิดเลยไม่อยากจะรับสายเพราะลำคาญบางครั้งพ่อชวนไปเที่ยวเหมือนกับที่พ่อเคยพาเข้าไปตอนเป็นเด็กแต่เขาก็ไม่มีเวลาให้พ่อสุดท้ายวันหนึ่งพ่อก็ตายแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีเสียงโทรศัพท์จากพ่ออีกแล้ว เสียงที่เขาเคยรู้สึกลำคาญตอนนี้เขากลับโหยหาและลึกถึงแต่ว่ามันก็ไม่ดังอีกแล้ ว, ลวทุกวันทุกวันนี้เขาก็เวลาไปไหนเขาก็จะร อ, องเท้าของพ่อเนี่ยติดรถไปด้วยไว้ที่เบาะหลังเพื่อว่าจะได้ ไปไหนก็ได้ไปด้วยกันเป็นการชดเชยความรู้สึกผิดที่ตอนที่พ่ออยู่นั้นเนี่ยไม่มีเวลาพาพ่อไปเที่ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคนที่มานึกได้นะว่าสิ่งที่เคยหงุดหงิดสร้างความลำคาญใจให้กับตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นของดนะีมันแปลว่าเขายังอยู่กับเราเขายังมีลมหายใจเขายังไม่ตายนะหลายคนมามาได้คิดอย่างนี้ก็ตอนที่คนรักของตัวเองจากไปแล้วแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะเราก็ควรจะ แเราลึกนึกถึงความตายของเขาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงจริงถ้าเราลึกถึงความตายของคนที่เรารักเนี่ยจะมาช่วยหรือว่าคนเราจะจะรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่เคยทําให้ลําคาญเนี่ยเปลี่ยนไปนคนที่เคย ลำคาญที่แม่ชอบบน่นพ่อชอบชอบบน่นเวลากลับไปบ้านั้าลองนึกซะหน่อยว่าเออเมื่อถึงวันที่เขาตายจากไปเนี่ยเสียงบ่นนั้นก็จะหายไปแล้วแล้วก็ จ, จะนึกคิดถึงเสียงบน่นแต่ว่าอย่าไปรอให้มันหายไปแล้วถึงค่อยมาเห็นคุณค่าของมันโหยหามัน นึกถึงมันให้นึกลงนาไปก่อนนะว่าเออสักวันนึงเขาต้องตายให้การที่ถึงที่ถึงความตามของคนที่เรารักเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกกับพฤติกรรมบางอย่างของเขาเนะี่ยเปลี่ยนไปแต่ก่อนที่เคยรู้สึกมันน่ า, ารําคาญนะน่าหงุดหงิดนะมันจะเปลี่ยนไปนะอาจจะไม่ถึงกับชื่นชม แต่ว่าก็อาจจะรู้สึกว่าทนกับมันได้มากขึ้นทำให้ทำใจกับมันได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะของการนึกถึงความต่างคนที่เรารักมันไม่ใช่เป็นการแช่งแต่เป็นการทำให้เราเนี่ยได้ได้เกิดมุมมองใหม่นะเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างของเขาซึ่ง เราเคยไม่ชอบเราเคยรำคาญเราเคยหงุดหงิดเนะม่ทำให้เราเนี่ยอดทนได้มากขึ้นหรืออาจจะยิ้มรับนะเพราะว่ามันยังแสดงว่าคนที่เราลักนี่เขายังอยู่กับเราการรู้ถึงความตายเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เราสามารถจะยอมรับ พฤติกรรมบางอย่างนะที่เราเคยรู้สึกไม่ถูกอกถูกใจลำคาญหงุดหงิดนะมันยังสามารถทำให้เราเนี่ยรับมือหรือทำใจได้กับเหตุการณ์อื่นๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแต่ไม่ใช่นึกถึงความตายของคนที่เรารักนะ ความตายที่ว่าเนี่ยคือความตายของเราเองให้การณ์ที่เราคิดถึงความตายของเราเองเนี่ยถ้าเรานึกให้เป็นนะมันช่วยได้เยอะเลยมันทําให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นกับเหตุการณ์ได้ร้ายๆนะที่เกิดกับเราคนเราเนี่ยถ้าไม่ไดน้นึกถึงความตายของเราเองเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเจอเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย ทั้งทั้งที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็ตี อ, อกชอกหัวเป็นบ้าเป็นหลังกับมันโทรศัพท์หายเพื่อนผิดนัดรถติดหรือว่างานมีอุปรสรรคขัดแยง้งกับเพื่อนร่วมงานก็กลุ่มบอกกุ่มใจหัวเสียหงุดหงิด กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ถ้าเกิดว่าเราลองนึกถึงความตายของเราบ้างนะมันจะช่วยนะไม่ทําให้ปัญหาเหล่านี้กลายเป็นเรื่องเล็กนะเล็กทันทีเลยเพราะว่าถึงเวลาที่เราเมื่อถึงเวลาที่เราต้องตายเนี่ยนะอย่าว่าแต่โทรศัพท์หายหรือว่า ถูกกงเงิเลยนะไอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีสิ่ ง, ท, งทั้งหลายทั้งปวงที่เรารู้จักเนี่ยในชีวิตนี้จะไม่เหลือต่อไปเราจะไม่ได้สูญเสียเงินเป็นแสนหรือสูญเสียเงินเป็นล้านเท่านั้นนะมีร้อยล้านก็หมดทั้งร้อยล้านมีบ้านก็หมดมีที่ดินก็ไม่เหลือ นะมีคนรักกี่คนก็หมดนะเพราะว่าความตายมันจะพ ร, พรากเราจากสิ่งเหล่านั้นไปหมดเลยพอนึกอย่างนี้เนี่ยนะมันจะทำให้ปัญหาต่างๆที่มันเคยทำให้เรากุ้โมกกุมใจเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยและช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นสตีฟจอบเนี่ยนะผู้ ก่อตั้งบริษัท p p l e แกเนี่ยแกเคยพูดตอนที่เพะ่ะตัวเองเป็นมะเร็งตับอ่อนจะบอกว่าเนี่ยการที่นึกถึงความตายของตัวเองว่าจะเกิดขึ้นไหนไม่ช้าเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดี่สุดอย่างหนึ่งที่ผมเคยมีเพราะมันช่วยทำให้ผมตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตได้เพราะว่าไอความเทีอออยอเทียม ความคาดหวังจากคนอื่นความกลัวหน้าแต่ความกลัวล้มเหลวเนี่ยพวกนี้มันจะมันจะหายไปเลยนะเมื่อนึกถึงความตายของตัวเองเพราะว่าในชีวิตคนเราเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่าความตายอีกแล้วแต่เป็นเพราะเราเนี่ยลืมนึกถึงความตายของเราไปพอมีเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เลยกู้หมอกุบใจ จะเป็นจะตายให้ได้นะกับสิ่งเหล่านั้นทั้งๆ ท, ที่มันเทียบไม่ได้เลยกับความตายที่จะเกิดกับเรามีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาเทะเลาะกับเพื่อนนะเพื่อร่วมงานขัดแย้งกันโกรธมากนะโมโหมากรู้สึกผิดหวังแต่ว่าเขานึกถึงความตายของเขา หรือว่าเจเริญร้อนนัสติเนี่ยบก็บว่าเขาหลุดเลยนะไอ้ความขุ่นเคืองนั้นเนี่ยพอรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่ทะเออลาะกันนี่มันขี้ประติวเหลือเกินเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยนะกับความตายนะที่จะมาถึงเพราะธรรมชาติคนเราก็กลัวความตายทั้งนั้นแหละและธรรมชาติคนเราก็ย่อมรู้ว่าความตายนี่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเท่าที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคนคนหนึ่ง มันทําให้เกิดตัวเปรียบเทียบนะของบางอย่างเนี่ยนะถ้ามันไม่มีตัวเปรียบเทียบเนี่ยเราก็สูญเป็นเรื่องใหญ่มากนะแต่พอมีตัวเปรียบเทียบขึ้นมาโดยว่าความตายเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยที่เคยหงุดหงิดลำคาญนะคนนั้นคนนี้ที่เคย โกรธเคืองที่เคยเสียใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะมันจะปล่อยวางได้ง่ายเมื่อเรานึกถึงความตายของเราหรือจเจริญมรมรคสตินมรรคสติเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอนุสติสิบนะที่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งของพุทธพภิธรรมศาสนานี่ก็มีคนมีพระธัตกถาจารย์ท่านจําแนกกรรมฐานของพุทธเนะี่ยว่ามีสี่สิบวิธี แล้วก็สิวิธีเนี่ยในสี่สิบเนี่ยก็คืออนุสติสิบก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างที่เราสวยกันเนี่ยนะมันก็เป็นภาวนาแบบหนึ่งนะเราภาวนาเราเจริญอนุสติสามคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินี่ยังมีอนุสติอื่นอีกนะเช่นศีลานุสติการระลึกถึงความดีของเราจากระนุสติการระลึกถึง ความออเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้ทานของเรานะการระลึกถึงเทวดาที่เรานับถือบางคนก็ต้องมีเทวดาเป็นเครื่อยึดเหนี่ยวก็เรียกว่าเทวดาอนุสติแต่ว่าที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือมรณะสะตนะิหรือมรณาอนุสติอาณาปานะสะติก็ใช่นะกายคตาสติก็ใชนะนะ่อันนี้ก็เป็นส่วนของสติปัฏฐานนะ แต่ว่ามรณะสตินี่ก็เป็นนสติที่สำคัญนะมันทำให้เราได้สตินะถ้าเรารึกถึงความตายเนี่ยเวลาถูกคนต่อว่าด่าทอเวลาทำงานประสบอุปสรรคความลุ่มเหลวนะเวลาสูญเสียคนรักพัดพากจากของที่ชอบเนี่ยเราจะจมเราจะหลงอยู่ในอารมณ์ ความโกรธความเศร้าความเสียใจนะตอนนั้นมันลืมตัวแล้วแต่พอเราลึกถึงความตายนี่นะมันจะหลุดนะมันจะปล่อยได้ง่ายเหตุผลนึงก็เพราะว่าเห็นชัดว่ามันเป็นเรื่องเล็กไอ้ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องเล็กเรื่องจิ๊บจอยอีกเหตุผลหนึ่งก็ก็คือ มันทําให้เราเนี่ยเห็นความสําคัญของการที่จะปล่อยวางเรื่องเหล่านั้นเห็นความสําคัญของการที่จะทําใจให้หลุดให้ผ่านเรื่องเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถผ่านเรื่องแค่นี้ได้เนี่ยแล้วเราจะไปเจอเราจะรับมือความตายได้อย่างไรนะอันนี้ลองเตือนตัวเองบ้างนะลองถามตัวเองบ้างวนะันนะีเพียงแค่ถูกเขานินทา ถูกเพื่อนนะขัดอกขัดใจหรือว่าบางทีเพื่อไม่กดไลายให้เนี่ยยังเสียใจยังขุนเคืองน้อยอกน้อยใจถามตัวเองว่าแล้วถ้าวันหนึ่งต้องเจอความตายเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ทรมานหรอเราจะไม่เราจะตายอย่างสงบได้ยังไงนะถ้าหากว่าให้เล่งแค่นี้นี่ยังไม่ผ่านนะ พวกเราชาวพุทธนี่ก็รู้อยู่แล้วนะว่าคนเราไปลยจะตายนี่นะการตายอย่างสงบเป็นเรื่องสำคัญตายในยทุกคนก็ต้องตายแต่จะตายอย่างไรเนี่ยอันนี้สำคัญกว่าถ้าทาใจไม่ได้เนี่ยมันก็จะทรมารนะ์ททุรนทุรายก็มีคนทุรนทุรายก่อนตายเยอะ พอหวงลูกหวงทรัพย์สมบัตินะรู้สึกโกรธใครบางคนรู้สึกผิดที่ทําไม่ดีกับใครบางคนพอตายก็ตาค้างตาเปิดนะก่อนตายก็ทุรนทุรายนะบางคนก็โวยวายนะอารวาสตายไปแล้วก็ไปไม่ดีเลือกไปทุกขติเพราะว่าจิต มันเศร้ามองเป็น อ, อกุศลนะถ้าคนที่รู้เรียนรู้เรื่องความตายดีก็จะพบว่าเนี่ยให้ตอนจะตายเนี่ยการที่จิตสงบปเป็นเรื่องสําคัญแต่จิตจะสงบได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการผ่านการฝึกฝนแล้วจะฝึกฝนจากอะไรก็ฝึกฝนจากชีวิตประจําวันที่เราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจคนเราเนี่ยจะทุกข์เนี่ยนะมันก็มีอยู่สามเรื่อง ใหญ่ๆซึ่งเราก็ทบทวนทุกเช้าประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพาจากสิ่งที่ไม่รักพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาอะไรแล้วไม่ได้อย่างที่ปรารถนาเนี่ยก็เป็นทุกข์ความทุกข์คนเราเนี่ยนะถ้าเป็นทุกข์ใจแล้วมันก็มีแค่นี้แหละไม่ได้หนีไปไหนจากสามเรื่องนี้หรือที่จริงสองเรื่องคือสองข้อแรก แล้วในบรรดาความพัดพลาดจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักเนี่ยนะสุดยอดที่สุดคือความตายนะเพราะว่ารักแค่ไหนมีเท่าไหร่ก็หมดพัดพลาดหมดแล้วต้องไปเจอกับสิ่งที่ชีวิตนี้ไม่เคยเจอเลยนะความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์หนึ่งนะหรือประสบการณ์เดียวก็ว่าได้ที่ไม่มีใครได้เจอในชีวิตนี้นะเจอก็เจอได้ครั้งเดียวนะคือวินาทีนั้นแหละ และในบรรดาทุกขเวทนาความเจ็บความปวดทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีทุกขเวทนาใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับตอนที่จะตายทั้งทุกขเวทนาทางกายทั้งทุกขเวทนาทางใจนะเพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่เราเคยผ่านเคยทนได้มาก่อนเนี่ยมันไม่ตายหรอกอที่มันตายเพราะามันทนไม่ไหวนะอย่างที่เขาใช้คําว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะถึงตายเนี่ยก็คือเพราะว่ามัน มันสุดๆแล้วนะไอ้ถ้าถ้าเคยผ่านมาได้ น, นี่ก็าแซงว่าทนไหวไอ้ทนไม่ไหวก็เพราะไม่เคยเจออาภรณ์เ น, นี่ยเมื่อเราเราลึกได้เช่นนี้เนี่ยนะเราก็จะเห็นความสําคัญนะของการที่จะทําใจให้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆนะอันนี้จําเป็นมาสอนนักปฏิบัติธรรมนะ นักปฏิบัติธรรมก็รู้นะว่าการตายสงบเป็นเรื่องดีแต่ว่าพอเจอเรื่องไม่ถูกใจนิดๆ ห, หน่อยๆนี่ก็ฉุนเืียวหงุดหงิดโศกเศร้าครั่งครวญน เ, นเงินหายเข้าใจาเงินไม่ครบก็กุมอกกุมใจคิดแล้วคิดอีกแล้วแบบนี้นี่มันจะตายดีได้ไงนะเพราะว่าความตายนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้เยอะ การเรื่องหนึ่งความตายเนี่ยในแง่หนึ่งมาทําให้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กลงกลายเป็นเรื่องจิบจอยอีกด้านหนึ่งมาทําให้เราเห็นความสําคัญของการที่จะผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นให้ได้เห็นความสําคัญของการฝึกจิตฝึกใจการที่จะปล่อยใจไปตามเหตุอารมณ์ปล่อยให้ความพัดภาคสูญเสียหรือการกระทบกระทั่งที่เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายลบเนี่ยมันเล่นงานของง้อมงํา มันกลับทำให้เราเนี่ยสามารถจะปล่อยวางมันได้ง่ายขึ้นเพียงแค่เตือนหรือถามใจเราว่าแค่นี้ยังผ่านยังไม่ผ่านเลยแล้วจะตายดีได้ยังไงในหะ้ความตายนี่มันเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะปล่อยวางกับโลกธรรมฝ่ายลบนะปล่อยวางเมื่อเจอสิ่งที่มากระทบปล่อยวางเมื่อเกิดอารมณนะ์ต่างๆ ที่เคยทําให้เป็นทุกข์ที่จริงแล้วเนี่ยสำราชาวพูดแล้วเนี่ยสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะที่ช่วยทําให้เราปล่อยวางได้เนี่ยนอกจากมรณาสติแล้วเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ชาวพูดเนี่ยถือว่าเป็นอุดมกติสูงสุดก็คือนิพพาน <c oughs> คนเราเนี่ยถ้าเอานิพพานเป็นจุดหมายในชีวิตนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ เพียงแค่อยากได้เพราะเห็นว่ามันดีแต่ว่าจริงจังหรือสีเรี่กับมันถือว่าเป็นจุดหมายสำคัญของชีวิตเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ง่ายเหมือนกันนะเวลาถูกด่าแล้วโมโหนะเวลาของหายแล้วเสียใจนะแล้วเราลองมาตั้งสติถามตัวเราเองว่า และอย่างนี้เนี่ยจะเข้าการนิพพานได้ยังไงนะเพราะนิพพานเนี่ยนะเราจะเข้าถึงได้มันต้องสละนะสละทุกสิ่งถ้ายังสละไม่ได้ยังปล่อยวางไม่ได้เราจะไปนิพพานได้งไงเพอเพอไปตรงข้ามนะไปอบายเพราะปล่อยวางไม่ได้ การที่เรามีจุดหมายสูงสุดเนี่ยมันช่วยทําให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะีมันกลายเป็นแบบฝึกหัดนะเพื่อที่เราจะได้ฝึกปล่อยฝึกวางเราเห็นความสําคัญวนะ่าโอ้ที่เราทุกเนี่ยเพราะเรายังมีความยึดมั่นในตัวกูของกูไอที่ทุกเนี่ยเพราะตัวกูของกูทั้งนั้นแหละนะทรัพย์ของกูลูกของกูร่างกายของกู หน้าตาศักดิ์ศรีของกูนะบางทีก็วัดของกูศาสนาของกูนะถ้ามีของกูนะหนาแน่นอย่างนี้เนี่ยนะมันจะไปถึงนิพพานได้อย่างไรเนี่ยจะไปถึงนิพพานได้เราก็ต้องเราก็เราก็รู้นะมันต้องสลัดต้องวางนะไอความยึดมั่นในตัวกูของกูต้องลดต้องละจนกระทั่งนะเลิกนะกิเลสตัณหาอุปาทาน อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นี่ทำทาวัดสวดน้ำตอนเย็นเราพรันได้ซึ่งการตัดตัวตนหาอุปาทานสิ่งช่วยในดวงใจมาลายเส้นจากสันดานกว่าจะถึงนิพพานนะหรือว่าที่บอกว่าเนี่ยขอให้บรรลุถึงนิพพานพรันเนี่ยนะถ้าเราไม่เพียงแต่พูดไปนะไปลอยๆเนี่ยแต่เราจริงจังกับมันเนี่ยนะเราจะเห็นความสำคัญของการที่ต้อง นะฝึกฝนจิตใจนะคนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาเห็นนิพพาน เ, นเรื่องสาคัญมากเพราะฉะนั้นก็ต้องทุ่มเพราะฉะนั้นจึงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตนะอย่างเช่นต้องบำเพ็ญบารมีสิบนะแต่ละข้อแต่ละข้อนี้ก็หนักทั้งนั้นสาคัญทั้งนั้นแล้วก็ยากด้วยไม่ว่าจะเป็นทานสีเนคัมมะ นะปัญญาสัจจะวิริยะขันติอธิษฐานเมตตาอุเบกขาและไม่ใช่ทานธรรมดานะไม่ใช่ทานแค่การสละสิ่งของนะต้องถึงขั้นสละอวัยวะและสละชีวิตอย่างพระเบสันดอนเนี่ยนะนะท่านบอกว่าเนี่ยท่านมุ่งพระนิพพานนะพุ่งมุ่งโพธิญาณเนี่ยก็พร้อมที่จะสละดวงตาพร้อมที่จะสละอวัยวะนะ พร้อมที่สละชีวิตด้วยแต่สละท่านเนี่ยสละอวัยวะสละชีวิตยังไม่ยากเท่าไหร่นะไอ้ที่ยากก็คือสละลูกเมียการหาชาลีนางมัตสีเนี่ยแต่ท่านก็ยอมนะเพราะมุ่งพทธิยานอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ, ปนเหมือนกับเป็นเป็นเรื่องที่เตือนหรือว่า ตุ้นให้เราเห็นว่าว่ า, าการที่จะเข้าถึงนิพพานนี่มันเป็นเรื่องที่ยากนะมันต้องอาศัยการเคี่ยวกรมอย่างมากนะแล้วคนสมัยก่อนนี่เขาก็พร้อมนะเพื่อ น, นิพพานเนี่ยพร้อมที่จะตายได้เพื่อ น, นิพพานจนกระทั่งบางทีถึงขั้นที่เรียกว่าสุดโต่งนะในสมัยรัชกาลที่สองที่สามที่สี่นี่ยก็มีชาวพุทธหลายคนที่มุ่งพ น, นิพพานถึงขั้นเผาตัวเองตายนะสละชีวิตเป็นทาน เขเชื่อว่านั่นแหะคือปรมัตถบารมีเป็นการบําเพ็ญทานบารมีขั้นปรมัติเลยไปเชื่อว่าเนี่ยพระโพธิสัตว์บรรลุพระรรพนิพพานได้ก็เพราะว่าท่านสละชีวิตในหลายในหลายภพหลายชาติบางทีก็สละชีวิตให้กับเสือแม่ลูกอ่อนที่มันหิวมันกำลังจะกินลูกของมันพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีผ่านมาเห็นไม่มีอาหารจะให้มัน แล้วก็ไม่อยากจะให้แม่ฆ่าลูกอยากจะรักษาชีวิตลูกไว้ก็เลยโดดลงไปที่ช่องก้นผาให้เสือกินนะอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าฆ่าตัวตายนะนนเรียกเป็นการบําเพ็ญบารมีอันนี้ก็มีคนไทยหลายคนสมัยรัชกาลที่2 3 4เนี่ยนะนะท่านก็เห็นว่าเนี่ยการการสละชีวิตนี่มันต้องมันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะก็ถึงขั้นเผาตัวเองตาย จนเท่ า, ารักาลที่สีต้องประกาศห้ามนะห้ามเผาตัวเองนะเพราะว่ามันเป็นการอ่การบําเพ็ญหรือการปฏิบัติธรรมที่ผิดนะแต่น้อยก็เป็นเครื่องชี้วัเนเห็นคนสมัยก่อนนี่เขาทุ่มเท ม, มากเพียงเพื่อพระนิพพานนี้ก็พร้อมจะตายได้เอาชีวิตเขาแรกนะครูบาอาจารย์ท่านก็เอาชีวิตเขาแรกเหมือนกันนะเพื่อพระนิพพานเนี่ย ยอมนะเข้าป่าทุดงนะเพื่อจะฝึกฝนเคี่ยวกรรมตนเองนะยอมพาตัวเองเข้าไปเจออันตรายเสี่ยงถึงชีวิตเพื่ออะไรก็เพื่อพนนันิช่านีถ้าเกิดเราเนี่ยนะบุ่งอภิ น, พนิพันธ์เนี่ยแล้วเกิดว่ามากุ้ม อ, อกกุ้มใจกับเรื่องที่ไม่ใช่ถึงขั้นคุก ค, คามเป็นภัยถึงชีวิต กุ้มอกกุมใจเพราะเพื่อนเขานะไม่คุยกับเราคุณเคืองเพราะเขานินทาเรานะหรือว่าเขาต่อว่าเราบางทีโดนครูบาอาจารย์นะอ่าต่อว่าก็หัวเสียกุ้มอกกุ้มใจเงินหายของหายก็เสียใจนะแล้วแค่อย่างเนี้ยมันจะไปนิพพานได้ยังไง แต่ถ้าคนที่เขาจริงจังกับ น, นิพพานนะพอเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะแล้วก็ระลึกได้ถึงจุดหมายชีวิตเนี่ยคือ น, นิพพานเนี่ยมันจะทำให้ปล่อยวางได้ทำให้ได้คิดว่าโอแค่นี้เนี่ยเราต้องแค่นี้ยั ง, ย, งยังผ่านไม่ได้แล้วจะผ่านพยายามมานนะที่ขัดขวางพระนิพพานได้อย่างไรหการอพระนิพพาน น, า น, นีเป็นจุดมายชีวิตเนี่ยมัน มันมีประโยชน์นะมันช่วยทำให้ปัญหาต่างๆที่เราเจอเนี่ยนะมันกลายเป็นไม่ใช่เคราะห์ร้ายไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นแบบฝึกหัดที่จะฝึกให้เราเนี่ยปล่อยวางทำให้เราเห็นโทษของความยึดติดถือมั่นตัญหาอุปาทานนะความสำคัญมั่นหมายในตัวกูของกู แล้วก็รู้ว่าเนี่ยโมันเราทุกเพราะไอ้ความยึดมั่นนี่แหละตัวกวขงกูแล้วถ้ายังมีความยึดมั่นแบบนี้มันไปไม่มันไปไม่ถึงไหนหรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องตัดต้องลดต้องละนะซึ่งมันผลที่ดีคือผลที่ได้คือมันทําให้เราเนี่ยผ่านนะกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ปล่อยวางมันได้ถึงแม้จะยังไม่นิพานนะแต่ว่ามันก็ทําให้เราใจโปร่งใจโล่งใจสบายนะ มันเป็นมันเป็นตัวช่วยนะมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถจะผ่านเรื่องร้ายๆในชีวิตได้มันทําให้เราเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีถึงเวลาเจ็บป่วยแทนที่จะบน่นโวยวายตีโตพตีว่าทําไมต้องเป็นชั้นนะกลับมองว่าเออเนี่ยนะมันเป็นแบบฝึกหัดให้เราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในตัวกูของกูได้ยังไงไอ้ที่เราทุกเนี่ยเพราะยังยึดในร่างกายของกูว่าเป็นของกูของกูของกู มันทําให้เราเนี่ยนะพยายามที่จะไข้ควรว่าไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยนะมันจะสอนไตรักให้เราได้อย่างไรบ้างถ้ามุ่งอนิพานเป็นป้อมายชีต์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมองความเจ็บความป่วยเนี่ยอีกแบบหนึ่งคนหนึ่งเขาหมอเป็นความซวยนะแต่เรามองว่าเนี่ยเขากำลังมาสอนทําให้เรากลางแสดงพระไตรักให้เราเห็น ไอ้ความคิดว่าอยากจะหายอยากจะหายเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนไปนะอย่างที่หลวงปู่ขาวเนี่ยอนารโยเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยไอ้ความอยากหายจากทุกขเวทนาเนี่ยนะถ้าอยากหายเนี่ยมันมีแต่จะเพิ่มความทุกขให้มากขึ้นเพราะความอยากหายไม่ก็คือตัวสมมุทัยนั่นเองสิ่งที่คนทําคืออยากเห็นนะไม่ใช่อยากหายอยากเห็นธรรมะอยากเห็นความจริงจากทุกขเวทนา ของกายและใจแล้วคนที่มุ่งอนิพานเป็นเป้าหมายชีวเนี่ยเขาจะเห็นความสําคัญการที่จะเข้าใจภไตรักและเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยก็จะถือเป็นโอกาสในการที่จะได้เห็นธรรมะนะจากความเจ็บป่วยนั้นไอ้ของหายเงินหายถูกโกงก็เหมือนกันนะเขากําลังแทนที่จะมาเป็นความสวยเป็นครอกก็เราก็จะมองว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่มาชี้มาย้ําให้เห็นนะว่า ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปเราจะเห็นนะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเคยเป็นความพัดภาคสูญเสียนะว่ามันเป็นโอกาสในการเห็นธรรมะอย่างตอนที่เกิดน้ำท่วมปีห้าสี่เนี่ยหลายคนคงจำได้นะสิ้นเนื้อประดาตัวกันเป็น เรียกว่าหลายสายครอบครัวผู้คนบางจํานวนมากมายก็กุ้มหัวกุ้มใจทรัพย์สมบัติถูกน้ําพัดไปหรือถูกน้ําท่วมทําลายบางคนก็ถึงกับบ้าบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายแต่ก็มีบางคนที่ไม่ทุกข์นะมีคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเออน้ําท่วมมันก็ดีนะมันทํามันสอนให้เห็นเลยนะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลย ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งทั้งหลายที่เรามีหรือที่มีอยู่รอบตัวเนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราวมาอยู่กับเราชั่วคราวไม่นานก็ไปถ้าไม่ถูกไฟไหม้ถูกน้ําพัดถูกน้ําท่วมก็อา จ, จะมีคนเอาไปอคนที่เห็นอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีจุดหมายในชีวิตว่าเนี่ยการเชิงเรานี่ก็มุ่งเพื่อการปล่อยวาง และเมื่อมีจุดหมายชีวิตแบบนี้เนี่ยก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆเหตุร้ายต่างๆว่าเป็นแบบฝึกหัดที่จะมาทำให้เราได้ปล่อยวางได้มากขึ้นหรือเป็นสิ่งที่มาสอนใจเราให้เห็นถึงสัจธรรมเพราะนันเนี่ยนะเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราได้มาเรียนรู้นะเรื่องศาสนาได้เข้าใจเรื่องนิพพาน ถ้าหากว่าเราถือว่านิพพานเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตเนี่ยก็ควรจะเอามาใช้นะไม่ต้องรอให้ถึงก่อนนะแต่เอามาใช้ในยามที่เราเจอทุกเจอความพัดผ้าสูญเสียประสบกับสิ่งที่ไม่รักพัดผ้าจากสิ่งรักนะทําให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งเหล่านี้แหละว่ามันคือแบบฝึกหัดนะที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใกล้ผลิตพานมากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเรายัางกุ้มอกกุ้มใจ เครื่องแค้นก็เอามาทักท้วงตัวเองว่าเนี่ยแค่นี้ยังยังเป็นบ้าเป็นหลังยังกุ้หมวกุู้ใจแล้วจะเข้าถึงผลิตภานหรือจะเข้าใกล้ผลิตพานได้อย่างไรงั้นถ้าดูดีๆนะสองอย่างเนี่ยนะความตายของเราก็ดีนะผลิพภานก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะถ้าเราใชใ้เป็นเนี่ยในการที่จะช่วยทำให้เราปล่อยวาง ความตายนี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราส่วนนิพพานนี่เป็นสิ่งดีงามสูงสุดนะเท่าที่จะเกิดขึ้นได้กับคนเราเหมือนกันนะต่างกันฟ้ากับเพล่นะอั น, นงนึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตอีกอันนึงเป็นสิ่งดีงามสูงสุดแต่ว่าสามารถจะเป็นประโยชน์ในการช่วยทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะนอกจากจากการใช้สตินะ การฝึกสติอย่างที่พูดไปเมื่อเช้านะอันนั้นก็ชวนให้เราปล่อยวางได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันมีตัวช่วยหลายอย่างที่ทําให้เราปล่อยวางได้เการระลึกถึงนิพพานก็ดีการระลึกถึงความตายของเราก็ดีเนี่ยก็เป็นตัวช่วยอีก อ, อีกสองอย่างหนะ้าที่ช่วยให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นก็วันนี้ก็พุดเท่านี้อ่ะเดี๋ยวเลิกกันแล้วก็เดี๋ยวจะขอนัดคุยกับ พระแมชีแล้วก็โยมที่จะไปกรุงเทพวันพรุ่งนี้นะงานของหลวงพ่อเนี่ยอากาพักพร้อมกัน